ต่อไปนะพระศาสนามีความงามสามประการศาสนาในที่นี้เนี่ยมุ่งปฏิบัติศาสนาปฏิบัตินี้ศาสนามีหลายอย่างนะหนึ่งปริยติศาสนาสองปฏิบัติศาสนาปฏิเวศศาสนาเพราะฉะนั้นคําว่าพระศาสนามีความงามสามประการอันนี้หมายถึงพระปฏิบัติศาสนาแล้วก็อุปนิสัยแห่งคุณวิเศษมีความเป็นผู้ได้วิชาสามเป็นต้นอุปนิสัยนี้แปลว่าแปลว่าอะไรอุปนิสัย แปลว่าเหตุที่มีกําลังน ะ, ะเหตุที่มีกําลังเรียกว่าอุปนิสัยการเว้นส่วนสุดทั้งสองคาว่าเว้นก็คือไม่เข้าไปใกล้ไม่ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นและก็การเสพข้อปฏิบัติอันเป็นสายกลางคาว่าเสพก็คือเจริญหรือปฏิบัติแบบนั้นนั่นแหละนะส่วนอุบาย9้าล่วงพบเมียบายเป็นต้นก็ชัดเจนการละ กิเลสโดยอาการสามก็จะอธิบายต่อไปข้างหน้าเป็นต้นนะนะส่วนธรรมะอันเป็นปฏิปักษต่อวีติกมะกิเลสเป็นต้นเนี่ยคำว่าเป็นปฏิปักษก็คือเป็นธรรมะที่เป็นตัวละวีติกมะกิเลสเป็นต้นคําว่า ป, ปฏิปักษก็คือตัวละเลยนะแล้วก็การชําระสังกิเลสสามซึ่งจะค่อยๆเรียนต่อไปทีนี้มาขึ้นหัวข้อที่1นเลยว่าสิกขาสามเห็นไหมประกาศสิกขาสาม ถามว่าทรงประกาศไว้อย่างไรตอบว่าก็ในพระคาถานี้อธิศีละศิขขาเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยศีลเห็นไหศีลก็ชื่อว่าอธิศีสลสศิขขานีอธิจิตศิกขาเป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยสมาธิอธิปัญญาศิกขาก็เป็นอันทรงประกาศไว้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นในคาถาเนี่ยนะจิตตังปัญญัญจะเนี่ยจิตตรงนั้นไม่ต้องบอกว่าอธิจิตหรือไม่ต้องบอกว่า สมาธิถามว่าทําไมจึงใช้อย่างนั้นเพราะว่าอาธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าศีลเฉยเฉยสินเฉยเฉเนี่ยเป็นเหตุให้ถึงไหนสินเฉยเเป็นเหตุให้ไปสู่สุขติถ้าสิธนธรรมดาทั่วไปนะเป็นเหตุแห่งสุขติแต่ถ้าอาธิศินเนี่ยเป็นเหตุแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานนะสินเฉยเฉยบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ ต้องเป็นอธิสินจึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้นะแต่อธิศินอย่างเดียวก็ไม่พออธิจิตด้วยอธิปัญญาด้วยนะเพราะฉะนั้นคาถานี้สงเคราะห์ลงสิกขาสามได้นะศีลสมาธิปัญญาก็สงเคราะห์ลงศีลเป็นอธิศีลสมาธิเป็นอธิจิตปัญญาก็เป็นอธิปัญญาอันนี้ในที่หนึ่งสิกขาสามทำไมเรียกอธิจิตครับ ไม่เรียกอธิสมาธิละก็คือจิตอันยิ่งอ่นนะจิตอันยิ่งที่เป็นจิตที่เป็นไปกับฌานจิตนี่นะที่เป็นอัปปนาจิตนั่นเองคําว่าอธิีจิตในที่นี้เนี่ยหมายถึงจิตที่เป็นเป็นบาทแห่งการเจริญวิปัสสนานะแต่ถ้าเป็นฌานทั่วไปก็เรียกว่าเรียกว่าฌานจิต ก็เรียกว่าจิตธรรมดานั่นแหละถ้าถ้าเจริญฌานได้ฌานเฉยเยนะแต่ถ้าเอาฌานนั้นน่ะเป็นบาตรแห่งการเจริญวิปัสสนานั้นก็เรียกว่าอาธิจิตไปส่วนอธิ ป, ปัญญานั้นถ้าปัญญาธรรมดาก็ได้แก่กรร ม, มสกตาปัญญาแต่ถ้าอาธิ ป, ปัญญาก็คือปัญญาที่เป็นวิปัสสนานั่นแหละเรียกว่าอาธิ ป, ปัญญา ข้อต่อไปว่าพระศาสนามีความงามสามประการเนี่ยนะเท่ากับข้อ2 อ, อันหนึ่งเนี่ยนะก็คือบ่งว่าเชื่อมข้อใหม่เป็นข้อสองความที่พระศาสนาพรศาสนาที่นี้ก็ได้แก่อะไรนะพระปฏิบัติศาสนานะมีความงามในเบื้องต้นเป็นอันทรงประกาศไว้แล้วด้วยศีลเห็นไหมการที่จะปฏิบัติในศาสนธรรมคําสอนเนี่ยจะต้อง คืนต้นด้วยศีลถ้าเราจะปฏิบัติจริงอยู่ศีลชื่อว่าเป็นเบื้องต้นแห่งพระาศาสนะาถามว่าทำไมศีลจึงเป็นเบื้องต้นแห่งพระาศาสน า, สาศาสนาคือพระปฏิบัติาศาสนาเนี่ยนะเพราะตรัสไว้ในเบื้องต้นแห่งสมาธิและปัญญาใช่ั้ยถ้าจะพูดสมาธิก็ต้องพูดศีลก่อนถ้าจะพูดถึงปัญญาก็ต้องพูดสมาธิก่อนเพราะฉะนั้นศีลเป็นเบื้องต้นแห่งสมาธิและปัญญา หรือความที่ศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งอุตริมนุสธรรมทั้งหมดเนี่ยนะอุตริมนุสธรรมทั้งหมดฌานอภิญญามรักผลก็มีศีลเป็นมูลมีศีลเป็นรากมีศีลเป็นพื้นฐานแม้กระทั่งพระพุทธวจนะพระองค์ก็ตรัสว่าก็อะไรเล่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายคําว่ากุศลธรรมตรงนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคกุศลนะอริยมรรคอริยผลนะ อะไรเล่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายกุศลอนั้นได้แก่อริยมรรคได้แก่ศีลที่หมดจดดีกับสัมมาทิฏฐิชื่อว่าเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคนะกุศลธรรมตรงนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคอันนี้ยกพระพุทธวจนะนัยยะที่หนึ่งนะหรืออีกพระพุทธวจนะว่าการไม่กระทําบาป ท, ทั้งปวงสัพพะปัสสะการณังกุสลสูปปัสมปดาสจิตต์ปริโยุปานังเนี่ยนะ คําว่าสัพปปัสสะการณังเนี่ย น, นะการไม่ทำบาปทั้งปวงอันนี้ก็หมายถึงกุศลศีลนั่นเองเพราะฉะนั้นศีลนี่จึงชื่อว่าเป็นเป็นเบื้องต้นนะ่ะนะก็ศีลนั้นชื่อว่างามเพราะนํามาซึ่งคุณมีอวิปปิสารความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้นเพราะฉะนั้นท่านยกเหตุผลมาสามในด้วยกันว่า ศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งพระศาสนาจริงๆในย่าที่หนึ่งก็บอกว่าศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมนะทั้งหลายด้วยนะก็คือทั้งหลายก็คืออารยมรรคกุศลเป็นต้นนั่นเองอนอนอนเนี่ยนะศีล เ, เพราะว่าศีลเนี่ยเป็นบาทแห่งอารย ม, มระแต่ที่จริงถ้าจะเอาธรรมดาเลยนะตอนต้นก็ว่าไปแล้วเนี่ยศีลเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งสมาธิ ปัญญาเป็นต้นอันนั้นในนิยก่อนๆ น, นั้นทำว่าเบื้องต้นแห่งศาสนาตรงนั้นแต่ถ้าว่าอะไรเล่าเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมทั้งหลายตรงนี้ในพุทธพจน์เนี่ยคำว่ากุศลธรรมทั้งหลายหมายถึงมรรคกุศลในเะฉพาะพุทธพจน์ตรงนั้นนะแล้วก็พระพุทธวจนะที่ว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงการไม่กระทำบาปทั้งปวงซึ่งเป็นสีนั้นเนี่ย หมายถึงการไม่กระทำการไม่ต้องกรรมที่มีโทษทั้งปวงการไม่เกี่ยวข้องสิ่งที่มีโทษเลยนะกายกรรมที่มีโทษวจีกรรมที่มีโทษไม่ทำไม่ล่วงละเมิดด้วยคานี้เนี่ยนะคว่าการไม่กระทำบาปทั้งปวงนี้คำนี้เนี่ยย่อมเป็นการกระทำความถือเอาศีลทั้งปวงอันต่างด้วยจา ร, ศรีศีลและวารีศีลคำว่าไม่ทาบาปทั้งปวงนั้นต้องเป็นจารีและวารีตนะ คือศีลบางอย่างต้องห้ามใช่ไหมศีลบางอย่างต้องไม่ทํานะเป็นวารีดเช่นฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เป็นต้นต้องไม่ทําเวน้นอย่างเดียวจึงจะเป็นศีลอันนี้เป็นวารีดแต่ศีลบางอย่างเป็นจารีตนะต้องทําถ้าไม่ทํามีโทษเวน้นอย่างเดียวแล้วไม่ประพฤตินะมีโทษเหมือนกันอายกตัวอย่างนะคาระวะเนี่ยรักษาศีลห้าดีฆ่าสัตว์ไม่ฆ่าลักทรัพย์อทินนาทานเป็นต้นหม่ทําล็อกแต่ว่าพ่อแม่เป็นต้นไม่เลี้ยงดูเลย อยู่ในฐานะที่จะต้องเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นต้นได้ไม่เลี้ยงดูนี่นับเป็นวัสระธรรมนะวัสระแปลว่าอะไรรู้ไหมวัสระแปลว่าถอยเป็นธรรมะของคนถอยเหมือนกันนะกัเราอยู่ในฐานะที่ประพฤติได้แล้วไม่ทํานะเพราะฉะนั้นอศีลเนี่ยอากุศลคำบทต้องเวน้นแต่กับอย่างความอ่อนน้อมเป็นต้นนี้ก็เป็นกุศลศีล น, นะจะต้องประพฤติขึ้น หรือถ้าเป็นพระพิสูจน์เนี่ยนะในปาฏิโมกข์บางอย่างต้องเว้นบางอย่างต้องปฏิบัติต้องทำแต่ว่าในวัดตระคันทกะเนี่ยต้องทำจริงๆเลยนะยกตัวอย่างอาคันตุกะวัดนะวัดของผู้จะมาวัดของผู้จะไปอุปชายวัดอาจารยวัดอันเตวาสิกวัดสัตว์ทวิหาริกวัดวัดในห้องน้ำวัดในโรงไฟ อาวัดในโรงฉันวัดในการบินทบาทนะพวกนี้ต้องประพฤติเลยนะต้องปฏิบัติในวัดเหล่านี้แล้วก็ถ้าหากว่าวัดพิเศษอีกถ้าถ้าอยู่ปริวัดก็ต้องไปประพฤติวัดอีก82เนี่ยนะไปประพฤติวัดอีก8ปดบสเพราะฉะนั้นศีลบางอย่างต้องปฏิบัติจึงจักเป็นศีลไม่ใช่ว่าไม่ทําอะไรสักอย่างเลยเป็นศีลไปหมดก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าศีลที่เป็นวิรัตเนี่ยก็เจตนาที่เป็นเหตุวิรัตเกิดเมื่อไหร่กุศลศีลก็เกิดเมื่อ น, นั้น เพราะฉะนั้นนั่งโลภะเกิดทั้งวันกุศลศีลไม่ได้เกิดนะไม่ได้เกิดทั้งวันนะเพราะว่ากุศลศีลเนี่ยเป็นเป็นกุศลแต่ถ้าจะเอาศีลทั้งวันก็ได้อากุศลศีลไงอากุศลศีลไม่ต้องเจริญนะปกติเป็นธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคําว่าสัพพาปัสสะการังนั้นอมเนื้อหาทั้งศีลที่เป็นข้อวิรัตงดเวรและเป็นศีลทั้งข้อประพฤติปฏิบัติด้วยจึงจะเชื่อว่า ไม่กระทําบาปทั้งปวงนะพ่อแม่ที่เราจะต้องเลี้ยงดูเป็นต้นแล้วเราไม่เลี้ยงดูนี่ก็ชื่อว่าทําบาปอย่างหนึ่งเหมือนกันนะใช่ไหมถ้าเป็นพระเนนอุปชัยวัดอาจารยวัดเป็นต้นที่ต้องประพฤติแล้วไม่ประพฤตินี่ก็เป็นบาปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันน ะ, ะโทษฐานที่ไม่ประพฤติก็มีโทษ ด, ด้วยแล้วก็ศีลนั้นชื่อว่างามเพราะนํามาซึ่งคุณมีอวิปปิสารความไม่เดือดร้อนใจเป็นต้น นะคําว่ากุศลศีนเนี่ยนะที่พระอานนท์ไปถามพระผู้มีพระภาคใช่ไหมว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลที่เป็นกุศลเนี่ยย่อมนํามาซึ่งอะไร พ, พระเจ้าค่าพระองค์ก็ตรัสว่าศีลที่เป็นกุศลย่อมนํามาซึ่งอวิปปติสารเหมืงงนอนันพระนนท์ก็ถามต่อไปว่าอาวิปปติสารเนี่ยนะย่อมนํามาซึ่งอะไรพระเจ้าค่าอวิปปติสารย่อมนํามาซึ่งปรา โ, โมทย่อมนํามาซึ่งอะไรพระเจ้าค่าพระองค์ก็ตรัสว่า ปราโมทย be ่อมนำมาซึ shall shall uh, shall shall ่ง oh ป oh <from Progress> <heart> ีติเอาแล้วปีติย่อมนำมาซึ่งอะไรพระเจ้าข่าปีติย่อมนำมาซึ่งปัสสัต t h อ่าแล้วปัสสัท t h ย่อมนำมาซึ่งอะไรพระเจ้าค่ะปัสสัต t h ย่อมนำมาซึ่งสมาธินะแล้วพระนนก็ถามว่าเออแล้วสมาธิย่อมนำมาซึ่งอะไรพระเจ้าค่ะสมาธิย่อมนำมาซึ่งอ่าสุก่อนสิย่อมนำมาซึ่งสมาธิใช่ปัสสัต thi ทำให้ได้สุขนะ ปสัสถทธิย่อมทำให้ได้สุขสุขย่อมทำให้ได้สมาธิสมาธิย่อมนำมาซึ่งยะถาภูตญาณทัศนะการรู้เห็นตามเป็นจริงยะถาภูตญาณทัศนะนะอมความถึงวิปัสนาหนึ่งสองสามสี่นะสังขารประเฉทญาณหนึ่งปัจญยปริคหายานหนึ่งสัมมาสนญญาณหนึ่งแล้วก็ อุทยพยัญญ า, ยาอย่างอ่อนหนึ่งนี้ชื่อว่ายะาภูตยานทัศนะตามนัยแห่งอัตตะถาอุปนิสสารูปสังยุตติกายนิธานวัชเนี่ยนะแล้วอวิปติยะาภูตยานทัศนะย่อมนำมาซึ่งอะไรย่อมนำมาซึ่งนิพิทานิพิทานี้ข้อความแค่ไหนนิพิทาก็คือตั้งแต่พลวะอุทยพยัญายาเป็นต้นไปนี้เรียกว่านิพิทา อนิพิทาย่อมนำมาซึ่งวิราคะได้แก่อริยมรรควิราคะย่อมนำมาซึ่งวิมุตติอริยผลแล้วก็วิมุตติย่อมนำมาซึ่งวิมุตติญาณทัศนะได้แก่ปัจเจเวคขณะญาณเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยนะนำมาซึ่งคุณธรรมมีอวิปปิสารเป็นต้นไปแต่ถ้าหากว่ากุศลศีลไม่เกิดอวิปปิสารมีอุปนิสัยวิบัตินะมีอุปนิสัยถูกขจัดเสียแล้วพุทธพจน์ ว่าไว้ายางนี้เลยเนี่ยดูได้ในอังคุตระนิกายทัศกานิบาทกับเอกาทัศกานิบาทและที่อื่นอื่นอีกมากแล้วก็ยังประทับใจข้อความในในมิลินเลยนในมิลินที่ที่กล่าวถึงเรื่องของศีลเนี่ยนะเป็นที่น่าสังเกตว่าข้อความในมิลินถ้าปัญหา อย่างเช่นปัญหาที่เจ็ในโยนิโสมนสิการปัญหากล่ า, าวว่าพระราชาตรัสถามว่าพระคุณเจ้านาคเษนบุคคลใดไม่ปฏิสนธิบุคคลนั้นย่อมไม่ปฏิสนธิเพราะมีโยนิโสมนัสิการใช่หรือไม่คือคนที่ไม่ปฏิสนธิคือใครพระารหันเนี่ยท่ารหันนี่ไม่ปฏิสนธิถามว่าที่ท่านเป็นท่ารหันเนี่ยเพราะท่านมีโยนิโสมนัสิการใช่ไหมพระนาคเษนบอกว่าขอถวายพระพรมหาบพิษ บุคคลย่อมไม่ปฏิสนธิคือจะเป็นพระอรหันเนี่ยนะเพราะมีโยนิโสมนัสิการเพราะมีปัญญาและเพราะมีกุศลธรรมทั้งหลายอื่นเนี่ยนะที่จะเป็นพระอรหันได้ก็ต้องมีทั้งหนึ่งนะโยนิโสมนัสิการสองมีปัญญา3 ม, มีกุศลธรรมอย่างอื่นทีนี้ในปัญหาที่8ในสีลักษณ ะ, ละปัญหาพระราชาตรัสถามว่าพระคุณเจ้านากเกษต ก็แต่ว่าท่านกล่าวคานี้ว่าเพราะมีกุศลธรรมทั้งหลายอย่างอื่นดังนี้ใดกุศลธรรมเหล่านั้นอะไรบ้างพระนาคเสณตอบว่าขอถวายพระพรมหาบพิษศีลศรัทธาวิริยะสติสมาธิธรรมะเหล่านี้ชื่อว่ากุศลธรรมอย่างอื่นใช่ไหมท่านกุศลธรรมที่จะทำให้ไม่ปฏิสนธิอีกหรือจะทำให้เป็นผ้าหาันกุศลธรรมนั้นได้แก่หนึ่ง โยนิสโสมนสิการ2ปัญญา3ศีลสศรัทธา5วิริยะ6สติ7สมาธิอันนี้ท่านยกข้อความแบบมิลินทปัญหามานะแต่ที่จริงก็เท่ากับอริยมรรคนั่นแหละทีนี้พนาเสณถามว่าพระเจ้ามิลินถามว่าพระคุณเจ้าศีลมีอะไรเป็นลักษณะ ที่จริงเราจะเรียนถึงข้างหน้าอยู่แล้วแต่เอามากล่าวก่อนให้เห็นความสำคัญพระนาเกษนบอกว่าขอถวายพระพรศีนมีความเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะนะคือศีนเนี่ยมีลักษณะสองอย่างนะสมาทานะกับอุปธารณะอุปธาณะนี่มีความหมายว่าตั้งมั่นเป็นที่รองรับนะเป็นที่รองรับกุศลธรรมชั้นสูงหรือเรียกว่าเป็นที่ตั้งก็ได้อันนี้ก็เป็นลักษณะอย่างหนึ่งของศีนเพราะฉะนั้น ในบรรดาลักษณะหลายอย่างนั้นน่ะคือลักษณะสองอย่างคือสมาทานกับอุปทานเนี่ยอุปธารณะนะไม่ใช่อุปาทานเพราะฉะนั้นพระนาคเสนเลยถวายพระพรว่าศีลเนี่ยมีความเป็นที่ตั้งเป็นลักษณะคือศีลเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงถามว่าศีลเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งกุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกุศลเหล่านั้นได้แก่อะไรได้แก่อินทรีย์พระพุทธชงองค์มร สติประฐานสัมมาประธานอิธิบาทอินทรีชานวิโมกสมาธิสมาบัติขอถวายพระพรพระโยคาวจรผู้ตั้งอยู่ในศีลอาศัยศีลตั้งในศีลแล้วย่อมเจริญอินทรีย์ทั้ง5ห้าคำว่าตั้งอยู่ในศีลอาศัยศีลเนี่ยนะศีลอันนี้ได้แก่จตุปาริสุทิศีล น, น, นะจตุปาริสุทธิศีล น, นั่นเองเพราะฉะนั้นอาศัยจตุปาริสุทิศีลแล้วก็เจริญอินทรีทั้งห้า คือสัตตินรียวิริยินทรีย์สติินทรีสมาธินทรีปัญยินทรีได้กุศลธรรมทั้งหลายทั้งปวงย่อมไม่เสื่อมนะถ้าตั้งมั่นอยู่ในจตุปาริสุที่ศีลอย่างนี้แล้วกุศลธรรมที่เจริญนั้นจะไม่เสื่อมแต่ถ้าไม่ตั้งอยู่ในจตุปาริสุที่ศีล น, นะเอาแค่ศีลห้าเฉยๆนะเกิดร้องเพลงขึ้นมาเนี่ยชานเสื่อมแนะ่ไม่ได้ไ ด, ไ, ดได้ชานได้ไปร้องเพลงไม่ได้เดี๋ยวชานเสื่อม แต่ถ้ายัางชอบร้องเพลงก็คงไม่ได้ชาญอยู่แล้วล่ะอาพระเจ้ามิเรนก็ถามต่อไปว่าเออขอท่านจงทาอุปมาว่าไนก็บอกว่าวินยูชนในโลกนี้จะเพิ่งรู้เนื้อความได้ด้วยอุปมาเพราะฉะนั้นขอฟังอุปมาหน่อยอนะธ น, นากเกษตรศบอกว่าขอถวายพระพรมหาบาพิตรเปรียบเหมือนว่าพืชต้นไม้เหล่าใดเหล่าหนึง่ง ย่อมถึงความงอกงามภัยบูร์พืชต้นไม้เหล่านั้นล้วนอาศัยแผ่นดินตั้งบนแผ่นดินแล้วก็ย่อมถึงความงอกงามภัยบูร์ได้ฉันใดขอถวายพระพรพระโยคาวจรอาศัยศีนตั้งในศีนแล้วก็ย่อมเจริญอินทรีย์าคือสัตสสตินรียวิริยินรีย์สแตนรียสมาทินรีปันยินทรีย์ได้ฉะนั้นเหมือนกันตรงนี้เนี่ยพระน่าเคเสนขยายตามปฏิสัมพิธามักเปะเลย ถอดความมาจากปฏิ então, สามทิธามักในวิเวกะถาในวิเวกกะถาบอกอย่างนี้เลยนี่พูดตามวิเวกกะถาเลยพระเจ้ามิลินก็ถามต่อไปว่าขอท่านจงทำอุปมาอีกหน่อยเถิดนะวันน่าจะมีอุปมาอย่างอื่นที่เข้าใจง่ายกว่าพระแผ่นดินนะนะพนาเกษตรบอกขอถวายพระพรมหาบพิตรเหมือนว่าคนทั้งหลายย่อมทำการงานที่ต้องทาด้วยกาลังเหล่าใดเหล่าหนึ่ง คนทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยแผ่นดินตั้งอยู่บนแผ่นดินแล้วย่อมกระทําการงานเหล่านั้นได้ฉั้นใดขอถวายพระพรพระโยขาวจรอาศัยศีนตั้งในศีนแล้วย่อมเจริญอินทรีย์าคือสัตถินรียวิริยินทรีย์สตินรีสมาธินรียปัญยินทรีย์ฉั้นนั้นเหมือนกันมันคนที่ใช้แรงกายทํางานก็ต้องทําบนแผ่นดินใช่ไหมจึงจะทํางานได้เพราะฉะนั้นคนที่จะเจริญอินทรีห้าก็ตั้งมั่นอยู่ในศีนอย่างนั้น พระเจ้ามิรินก็บอกขอท่านจงทําอุปมาให้ยิ่งอีกหน่อยเออนนถิดนะมีใครว่าน่าจะมีง่ายกว่า น, นี้หรือเข้าใจชัดกว่า น, นี้อีกไหมพระนาคเกษบอกขอถวายพระพรมหาบาพิตรเปรียบเหมือนว่าช่างสร้างเมืองต้องการจะสร้างเมืองทีแรกก็ให้เขาชำระที่ตั้งเมืองพรากตอและน้ำออกไปปรับพื้นที่ให้เรียบ ภายหลังจากนั้นก็จำแนกโดยการตัดแบ่งเป็นถนนเป็นสามสีแพร่งเป็นต้นสร้างเมืองขึ้นมาฉันใดขอถวายพระพรพระโยขาวจรอาศัยศีนตั้งในศีลแล้วก็ย่อมเจริญอินทรีย์5คือสัตถินรีวิริยินรีสติินทรียสมาธินรีปัญญรีย์ได้ฉะนั้นตรงนี้ถ้าของเราก็สร้างบ้านจัดสรรเนี่ยนะก็ต้องชำระที่ให้เรียบร้อยก่อนใช่ไหมแล้วก็แบ่งเป็นซอยแล้วค่อยสร้างลักษณะนั้นศีนก็เหมือนกับพื้นที่เหล่านั้น